ก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อจะอธิบายเรื่องศีลให้ลูกหลานได้ฟังเสียก่อนถ้าหากว่าไม่มีผู้ใดอธิบายเรื่องศีลลูกหลานจะรู้เรื่องของศีลก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะลูกหลานไม่มีโอกาสที่จะได้เราเรียนศึกษาเรื่องศีลคุณค่าของศีลเป็นอย่างไรเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้ถือโอกาสนี้น ก่อนที่จะให้ศีลแก่ลูกหลานหลวงพ่อจะอธิบายเรื่องศีลให้แก่ลูกหลานได้รับรู้รับทราบแต่บางท่านบางคนหลวงพ่อมีศีลสองิบเจ็ดข้อที่หลวงพ่อรักษาอยู่ถ้าหาว่าหลวงพ่อให้ทีละ5ทีละแปดศีลหลวงพ่อจะไม่หมดเหรอบางทีบางคนอยากเข้าใจอย่างนั้นก็มีเพราะนั้นเรื่องศีลเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคน จะต้องรับและก็รักษาเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้อธิบายให้ลูกหลานได้ทราบอันดับแรกหลวงพ่อจะพานำว่าณโมซะก่อนณโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะความแปลและความหมายก็ว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น คือเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นาศาสนาเป็นผู้ประธานเป็นผู้ชี้แนะชี้นำเรื่องศีลว่ามีคุณค่าอย่างไรเพราะนั้นเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าซะก่อนกล่าวนโมสามจบจากนั้นพุทธทงังทำมังสังคังสารานางคัตฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสวงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง ดุติยามปิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สองตาติยามปิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สพวกเรายืนยันถึงสมครั้งจะนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสชนะปินที่พึ่งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศิลปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ ข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ของเราพระพุทธเจ้าเขาว่าสัตว์สัตว์ที่รชานทุกประเภทก็าว่าสัตว์เทวดาสัตว์พระอินทร์พระพรหมก็เป็นสัตว์สัตตะไปว่าผู้คล่องคลองอยู่ในภพในชาตยิยังไปในพานยังไม่ได้อันนั้นไปว่าสัตตะทั้งหมด เพานั้นพวกเราทั้งหลายนะลูกหลานทั้งหลายท่าว่าสัตตะนี่เป็ว่าผู้คล่องอยู่ในภพในชาติไม่ใช่อื่นไกลเพราะฉะนั้นท่านพุทธเจ้าท่านว่าอย่าฆ่าสัตว์การรวมทั้งมนุษย์ด้วยทั้งสัตว์ดิเรกาันทุกประเภทด้วยเพราะว่าการฆ่ากันชีวิตของพวกเราทุกๆคนลูกหลานทุกคนไม่มีอะไรรักกว่าชีวิตถึงเขาจะมาโป้นมาจี้มาขโมยอะไรเราก็ตามเราก็ ให้เขาได้แต่ว่าขอชีวิตนะโดยมากจะเป็นอย่างนั้นโอ้ยขอชีวิตเธออย่าฆ่าผมเถอะอยากจะได้อะไรก็เอาไปเถอะลักษณะอย่างนั้นแสดงว่าชีวิตนี่มีคุณค่าเรารักกว่าสิ่งของอื่นใดทั้งหมดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าว่าอย่าไปฆ่ากันอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชีวิตของเราชีวิตของเขาชีวิตพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาเขาก็รักเราก็เช่นเดียวกันพ่อแม่ปู่ย่าตายาย โลกหลานของเราชีวิตของเราเราก็รักเพราะนั้นอย่าฆ่ากันอันนี้คือศินข้อที่หนึ่งแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่รักษาสินข้อนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นในหมู่ในคณะของพวกเราไม่เช่นน้อยเหมือนกันเพราะนั้นถ้าว่าทุกคนเป็นผู้มีศินซะสำรวมสินออไม่ฆ่าสัตว์ทุกคนก็สบายอกสบายใจไปนะัสถานตินใดก็สบายใจเพราะไม่มีการฆ่ากันนะ อธิณนาธานอย่าขาโมยซึ่งของกันถ้าว่าพวกเรามาอยู่ด้วยกันหลายหายคนคนนั้นก็ขโมยคนนี้ก็ขโมยต่างคนก็ต่างขาโมยของกันแล้วจะเป็นยังไงความเดือดร้อนวุ่นวายกเจะอยู่ในหมู่ในคณะของเราหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้จะวางสมุดเดินสอไว้ที่ไหนก็ต้องหอบต้องเหิ้วไปด้วยเพราะเหตุไรเพราะว่าขาโมยเยอะพวกเราว่าเป็นยังไงหาความสงบสุขได้ไหม แต่ถ้าหากว่าทุกคนเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันไม่ขโมยกันวางที่ไหนอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เก่าว่าเป็นของเขาเราจะไม่แตะเพราะว่าเป็นของเขาของเขาเขาก็รักเหมือนกับของเราถ้าเป็นของเราเราก็รักเพราะฉะนั้นไม่ควรจะขโมยของเขาเถ้าเป็นอย่างนั้นลูกหลานว่าเป็นยังไงเฉงบพร้เรมเย็นเป็นสุขไหมศีลข้อที่สองสินข้อที่สามกาเมสุมิชชาจาร ีน้องของใครใครก็รักสังวีนห่วงเหนสมมุติว่านักเรียนมาอยู่ด้วยกันเขามีพี่มีน้องมาน้องสาวของเขาพี่ชายของเขาหรือพี่สาวของเขาน้องชายของเขาถ้าเราไปทำํำละลาบละ ล, ล่วงเขาเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเขาก็คงจะเสียใจถ้าเขามาทําให้แก่เราเราก็ทรงจะเสียใจเช่นเดียวกันเพราะเหตุนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน อย่าไปประลาบละลวงพี่น้องของเขาให้เคารพสิทธิ์กันอันนี้คือสินข้อที่สศสินข้อที่สี่มุสาอย่าไปโกหกคนอื่นการโกรหกกันไม่เป็นผลดีเพราะนั้นอย่าไปโกหกซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าจึงมันหยัดสินข้อที่สข้อที่หสุราเมรยะมัชฌะปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าว่าพวกเรา ทุกคนตั้งแต่ครูบาอาจารย์เด็กนักเรียนทุกคนกินเหล้าดื่มเหล้ า, เ, าเข้าแล้วเป็นยังไงนี่จะคนเมาทั้งหมดพูดกันไม่รู้เรื่องทั้งโรงเรียนเพราะฉะนั้นเป็นผลดีไหมสําหรับครูบาอาจารย์และเด็กนักเรียนถ้ากินเหล้าอย่างนั้นไม่เป็นผลดีถ้าคนกินเหล้าแล้วสามารถที่จะทําความชั่วได้ลหลายอย่างฆ่าสัตว์ก็ได้ขมโมยทรัพย์ก็ได้ พอพืชผิดในกามก็ได้โกหกอ่าก็ยิ่งเร็วเพราะว่าคนขาดสติเพราะนั้นศีลห้าข้อให้ลูกหลานใฟังเอาไว้ว่าศีลนั้นมีคุณค่าอย่างไรใครจําเป็นที่จะต้องรักษาศีลเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนจะต้องรักษาไม่ใช่ศีลเฉพาะของพระเท่านั้นแต่ถ้าหาว่าพระรักษากลุ่มพระรักษาศีลภาคเขาก็จะ ร่มเย็นเป็นสุขในกลุ่มของเขาแต่ถ้าว่านักเรียนทุกคนอยู่ในโรงเรียนต่างคนก็ต่างไม่มีศีลต่างคนก็ต่างไม่ไว้ใจต่างคนก็ต่างพกมีดพกปืนมาโรงเรียนเพราะไม่ไว้ใจกันลูกหลานคิดดูก็แล้วกันโรงเรียนของเราจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ไหมแต่ถ้าว่าโรงเรียนของเรามีแต่ขมโมยทั้งหมดเผอไม่ได้ลูกหลานคิดดูก็แล้วกัน โรงเรียนของเราจะสงบสุขไหมกาเมสุมิชชาจาย์ใครมีอะไรก็ตึงรากอลุงตุงนงังไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันลูกหลานว่าอย่างไงมีความสุขไหมหมุสาทว่าโกหกนักเรียนทุกคนโกหกกันเป็นทั้งหมดไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันนักเรียนว่าอย่างไงคงจะว่าหาความสุขไม่ได้มีแต่คนโกหกกันทั้งโรงเรียน เพราะนั้นศีลห้าถ้าหาว่ามีอยู่ในโรงเรียนของพวกเราพวกเราเคารพมีศีลแล้วนักเรียนทุกคนก็จะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขและศีล น, นั้นเราจะให้ใครเป็นผู้รักษาศีลเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนถ้าหากว่าพวกเราไม่รักษาพวกเราก็หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ในโรงเรียนของเราแต่ถ้าหาว่าพวกเรารักษาศีลด้วยกันทุกคนอย่างน้อยก็ไม่ถึงเคร่งครัด แต่ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันให้คิดดูว่าเออถ้าหากว่าเราไปเอาของเขาเออหรือเราไปฆ่าไปตีเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเราไปขโมยของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาให้ทําให้แก่เราเรามีความรู้สึกอย่างไร เ, ออเพียงแค่นี้เท่านั้นแหะนะลูกหลานก็จะสํานึกสําเหนียกได้ว่าการกระทําที่ไม่ถูกต้องนั้นทําให้คนอื่นเดือดร้อน ถ้าเขามาทําให้แก่เราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้มีคุณค่าอย่างมหาศาลถ้าหาว่าพวกเราลูกหลานทุกคนได้คิดได้พิจารณาได้ใจตรองดูเหตุผลแล้วศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าอย่างมากนะเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําให้ศีลเมื่อลูกหลานรับรู้แล้วศีลนั้นะมีคุณค่าอย่างไรใครเป็นคนรักษาศีลเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ไม่ว่าผู้ใดใครผู้หนึ่งจําเป็นทุกคนจะต้องมีศีล น, นะนะโมตัสสะภควะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโปกสัมปาทา สีเลนานิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสธาเยสาธุเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้พูดอะไรให้ลูกหลานฟังให้ลูกหลานทั้งอกตั้งใจฟังนะอยู่ในความสงบอย่าไปคุยกันขอร้องมาให้ถ่ายลูกด้วยในขณะที่หลวงพ่อพูดแล้วก็อย่าไปคุยกันนะลูกหลานอดไว้ก่อน เพราะพวกเรามีเวลาคุยกันตั้งเยอะแยะไปแล้วออกจากที่นี่ไปแล้วก็มีเวลาคุยกันหลวงพ่อได้เสียสละเวลาเวลามาจริงๆมาแนะนำสั่งสอนลูกหลานไม่ใช่หลวงพ่อไม่มีธุระหลวงพ่อมีธุระมากภายในวัดแต่วันนี้ได้เสียสละเวลาเวลามาพูดคุยกับลูกหลานเพราะท่านพ่ออนิมนต์หลวงพ่อมาหลวงพ่อก็ได้ช่วยหรือว่าได้อุปถัมภ์ โรงเรียนยุงทองของเรามาโดยตลอดตั้งแต่ซื้อที่ดินเนี่ยข้างขวาของหลวงพ่อเนี่ยซื้อสระน้ำห้องสมง์ห้องสมุดหลวงพ่อก็ได้ช่วยมาได้หลายอย่างตามกำลังแต่คิดว่าทางโรงเรียนของเราก็ยังไม่ขาดเหลือขาดตกอะไรมากถึงยังไงหลวงพ่อเองก็ยังอยู่ในความคิดทุกอย่างนั่นะทางว่าอยู่ต่อไปภายภาคหน้า ไม่ได้ถืออื่นไกลว่าอำเภอนายุงของเราเนี่ยห่างจากหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้อยู่อำเภอนายุงคือชีวิตของหลวงพ่อกับลูกหลานอยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าหาว่าลูกหลานเป็นคนดีเป็นสงาาส่าราศีสอบที่ไหนก็ได้เป็นนักเรียนที่ดีหลวงพ่อก็สบายอกสบายใจไปด้วยแต่ถ้าหาว่านักเรียนโรงเรียนยุงทองพิษของเราเป็นโรงเรียนหวัวใจของอำเภอนายุง มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นก็ทำให้หลวงพ่อไม่สบายใจเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อมาไม่ใช่ว่าลูกหลานทำตัวไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าอยากจะส่งเสริมการศึกษาและแนวความคิดของลูกหลานให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้มีความคิดก้าวไกลก้าวหน้าให้มองไกลๆมองอนาคตของตนเองอย่าไปมองไกลๆอย่าไปคิดถึงแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮา เป็นวันวันไปอันนั้นไม่ถูกนะลูกหลานนะให้ตั้งอกตั้งใจเราเรียนศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองเพราะเวลาอย่างนี้หาได้ยากมากหาโอกาสอย่างนี้ยากมากแต่สมัยหลวงพ่อเป็นเด็กหลวงพ่อไม่มีโอกาสที่จะเรียนหนังสืออย่างลูกหลานหลวงพ่อก็ได้บวชแต่เป็นสมัมมาณีน้อยอายุ 11-12 ปีเป็นชีวิตที่อยู่ในป่าดงพงภัยเป็นชีวิตที่เป็นนักบวชเพราะนั้น หลวงพ่อไม่ได้เรียนหนังสืออย่างลูกหลานลูกหลานก็นับว่าเกิดในที่เจริญพอสมควรจึงได้มาเร่เรียนศึกษาในโรงเรียนยุงทองพิษของพวกเราเป็นโรงเรียนประจําอําเภอนายูงของเราก็เป็นโรงเรียนชั้นหนึ่งของอําเภอเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานภูมิใจในการศึกษาและก็ให้ตั้งตนไว้ชอบด้วยว่าอัตตะสัมมาปณิธิในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจา้าว่าอัตตะสัมมาปณิธิคือให้ตั้งตนไว้ชอบ ในสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทําอย่าพูดอย่าคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดทั้งหลายพวกก้าวพวกเล่าให้ลูกหลานห่างเอาไว้นะอย่าเข้าไปใกล้ในอบายยมุกหรือว่าสิ่งเสพติดเหล่านั้นจะทําให้ลูกหลานเสียอนาคตได้ไง่ายๆแต่ถ้าว่าลูกหลานพยายามตั้งตนไว้ชอบพยายามเล่าเรียนศึกษาตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือหลวงพ่อว่าความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของลูกหลาน ก็คงจะไปได้ไกลแต่ถ้าว่าลูกหลานไม่ได้คิดไกลมีแต่สนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาเป็นวันวันไปชีวิตของลูกหลานก็จะไปไม่ได้ไกลอย่างมากเขาไปเป็นลูกน้องกรรมกรของเขาเป็นวันวันกินเป็นวันวันเพล่เพลอาจจะหาเงินหาทองไม่คุ้มชีวิตของตนเองก็ได้เพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายถ้าว่าการศึกษาของลูกหลานตั้งอกตั้งใจเรียนดีแล้วอนาคตของลูกหลานก็จะสดใส ทำการทำงานที่ใดจบปริญญาตรีปริญญาโทใครๆก็ต้องการทั้งนั้นคนมีความรู้เพราะฉนั้นลูกหลานอย่ามองข้ามจะไปคิดสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาเป็นวันๆเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองได้มาพบกับลูกหลานเห็นลูกหลานทั้งหลายแล้วก็หน้าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะทรัพยากรของชาติคือมอบให้แก่ลูกหลานทั้งหมดถ้ า, าว่าพวกเราได้รับการศึกษาที่ดีถ้าเด็กในชาติ ฉลาดเด็กฉลาดชาติจเจริญมันไปด้วยกันแต่ถ้าฮาวานเด็กโง่เง่าเตาตุนพวกเราไม่ใฝ่ในการศึกษามีแต่การสนุกสนานเที่ยวเล่นทำให้ครูบาอาจารย์หนักอกหนักใจทาให้พ่อแม่หนักอกหนักใจสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นพ้นดีสำหรับประเทศชาติไม่เป็นพ้นดีสำหรับกลุ่มของเราไม่เป็นพ้นดีสาหรับตัวนักเรียนเองอีกต่างหาก เพราะนั้นลูกหลานไม่ค่อยได้คิดครูบาอาจารย์จึงนิมนต์หลวงพ่อมาพูดมาแนะนําสั่งสอนลูกหลานอย่างน้อยก็ให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังนานทีปีหนบางทีก็มีวิทยากรมาจากถิ่นอื่นที่อื่นที่ไกลมาแนะนําสั่งสอนลูกหลานเป็นระยะระยะนานๆ น, นก็นิมนต์หลวงพ่อที่อยู่ในถิน่นมาพูดให้ลูกหลานฟังอีกเพื่อทําความเข้าใจอย่างน้อยลูกหลานได้ยินครั้งนั้นบ้าง ครั้งนี้บ้างลูกหลานก็จะได้สานึกสาเนียกได้ในหลักธรรมที่ท่านว่าสุสังลสเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสุตตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาการแนวความคิดที่ว่าเราได้ยินได้ฟังแล้วหลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยมีเหตุมีผลไหม อย่างนี้ก็จินตนาการทบทวนดูอันนี้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้พวกเราก็จะตั้งอกตั้งใจเราเรียนศึกษาเพราะว่าการที่พวกเราเป็นเด็กเนี่ยหลวงพ่อเองก็เคยเป็นเด็กก่อนจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้อย่างนี้ทุกคนก็ต้องเป็นเด็กก่อนแต่ว่าการที่เป็นเด็กนั้นโดยมากบางคนก็ไม่ได้ซ้ำนึกซ้ำเนียกตัวเองเอาแต่อกแต่ใจตัวเอง ไม่ฟังคําของใครไม่ฟังคําของครูบาอาจารย์ไม่ฟังคําพ่อแม่ปู่ย่าตายายบางคนก็ลักษณะดื้อด้านอย่างนั้นไม่ถูกนะลูกหลานลุงพ่อก็เคยเห็นอย่างนั้นแต่บางคนก็เออเชื่อฟังพ่อแม่แต่จะให้ฟังทุกอย่างนั้นก็คงจะยากเพราะเป็นเด็กยังสํานึกสำเนียกไม่ได้อันนั้นก็น่าเห็นใจแต่ถึงยังไงก็ตามนะเมื่อพ่อแม่ว่ากล่าวเมื่อครูบาอาจารย์ว่ากล่าว พวกเราก็ควรจะฟังด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ว่าดันทุลังไม่ยอมฟังใครซะเลยอันนั้นก็ไม่ถูกนะไปอยู่กับใครก็หนักใจอยู่กับพ่อแม่ก็หนักใจอยู่กับครูบาอาจารย์ก็หนักใจอยู่กับนายจ้างก็หนักใจอยู่กับใครๆก็หนักใจทั้งนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าไม่ฟังคําของเข า, เาไม่รู้เขาจะทํำยังไงจะฆ่าจะตีหรือก็ขาดเมตตาจะทํำยังไงผลที่สุดก็ ห่างเหินกันไปไม่สั่งสอนผลที่สุดเกิดยิ่งได้ใจไม่เป็นผลดีสําหรับลูกหลานของพวกเราและวก็เสียอนาคตอีกต่างหากและเสียที่ไหนเสียทรัพยากรของชาติผลที่สุดชาติทั้งชาติก็เลยได้คนด้อยคุณภาพเพราะเหตุไรเพราะว่าไม่ได้รับการศึกษาที่ดีไม่มีใครแนะนําสั่งสอนเพราะฉนั้นลูกหลานทั้งหลายอย่าได้เป็นอย่างนั้นคนโบราโบราณเขาก็เป็นห่วง ในสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนะที่หลวงพ่อได้ศึกษาในพระไตรปิฎกคือเด็กนักเรียนหรือเด็กลูกหลานเนี่ยโดยมากไม่ค่อยจะฟังไม่ค่อยจะมีเหตุผลในขณะที่ยังเป็นเด็กหนุ่มแต่ว่าถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วสำนึกสำเหนียกได้ก็เป็นผู้ดีบางคนก็สายไปเสียแล้วเพราะได้ทำสิ่งที่มันไม่ดีไว้ตั้งเยอะแยะกลับตัวไม่ได้แต่บางคนก็พอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา ก็สำนึกสำเนียกได้ว่าเออสมัยเราเป็นเด็กนักเรียนหรือเราเป็นเด็กหนุ่มเราได้ทําสิ่งที่ไม่ดีไว้แล้วอุลเราเสียใจที่เราได้ทําอย่างนั้นไปแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ทําอีกอย่างนี้เป็นต้นนะอยากจะให้ลูกหลานจํานึกสําเนียกเอในการเป็นอยู่ของพวกเราทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนมาถ้าให้เป็นแนวความคิดของหลวงพ่อนะว่าหลวงพ่อจะทํำยังไงถ้าหากว่าหลวงพ่อเป็นเด็กนักเรียนอย่างผมเนี่ล่ะ อย่างฉันนี่แหละอย่างหนูนี่แหละหลวงพ่อจะทําอย่างไรถ้าเป็นหลวงพ่อนะทานึกสําเนียกได้อย่างทุกวันนี้นะเนี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าตีสามตีสี่ตื่นนอนมาหลวงพ่อจะไหว้พระซะก่อนอะรหังสัมมาสัมพุทธโธนโมตตะพุทธัทงธรรมังสังขังสรนงังคัจฉามิตามมีตามเกิดที่เราได้เรียนมาอย่างลูกหลานพูดเมื่อกี้นี่พอแล้วขนาดนี้ไม่ต้องไหว้มากกว่านี้ก็ได้ จากนั้นก็นึกในใจว่าเออข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นวิญญาณอื่นพ่อแม่ข็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้นึกในใจเพียงแค่นี้ก็พอจากนั้นเราก็มาอ่านหนังสือครูบาอาจารย์ให้การบ้านมาอย่างไงเราก็มาทบทวนในการอ่านหนังสือสักสมิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งจากนั้นเรากลุกขึ้นมาล้างหน้าแปลงฟัน มีสิ่งไหนที่จะช่วยพ่อแม่ได้ในช่วงนั้นเราก็ปัดกวาดทาความสะอาดในบ้านนิดๆน่นอยๆช่วยพ่อแม่เพื่อให้ท่านเบาใจบางทีก็เลี้ยงหมาเลี้ยงไก่อะไรลักษณะอย่างนั้นพอได้เวลาเ้วก็เตรียมตัวอาบน้ำอาบท่ามาโรงเรียนมาถึงโรงเรียนเราก็มาดูสิ่งไหนที่จะจัดทาในโรงเรียนกิจกรรมอะไรกิจกรรมร่วมอะไร สรุปแล้วก็คืออย่าให้หนักใจในโรงเรียนจะเป็นขยะที่เป็นกระดาษอะไรก็ตามที่เราใช้เมื่อเราใช้เสร็จแล้วเราก็เก็บไปใส่ถังขยะหรือว่าเห็นกระดาษใ่บริเวณนั้นเราก็เก็บกระดาษแถวนั้นมาทิ้งใส่ถังขยะสรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีจากนั้นพอ่อตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือพอมาก่อนที่จะออกจากบ้านถ้าพ่อแม่ยังอยู่ในละแวกนั้น เราก็ยกมือไหว้ท่านเจ้าก่อนยกมือไหว้พ่อครั้งหนึ่งยกมือไหว้แม่ครั้งหนึ่งผมลาไปโรงเรียนครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณแม่เพียงแค่นี้พ่อแม่ก็ดีอกดีใจนะลูกหลานที่ยกมือไหว้จากนั้นมาเห็นครูโรงเรียนก็ยกมือไหว้คุณครูจากนั้นก็เข้ามาเรียนหนังสือตั้งอกตั้งใจเรียนแล้วก็เคารพหมู่เพื่อนทุกคนเป็นคนดีการเล่นกันก่อน ตามปกตินะเด็กหนุ่มก็เยาะแย่กันเป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าไปเยาะแย่กันจนเกินไปให้รู้ว่าการหยอกล้อกันการเยาแย่กันเป็นสาเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทในหมู่ในคณะแต่ถ้าว่าคนหยอกล้อกันไม่รู้จักประมาณกระทำให้ผิดหมางใจกันได้ง่ายเพราะนั้นตัวนี้ก็ให้ระมัดระวังจากนั้นก็เรียนหนังสือจนครบคา ก่อนที่จะออกจากห้องเรียนเราก็ยกมือไหว้คุณครูซะก่อนสวัสดีครับคุณครูหรือว่ายกมือไหว้ธรรมดาไม่ต้องกล่าวก็ได้จากนั้นเราก็กลับบ้านพอกลับไปถึงบ้านเราก็ต้องดูซะก่อนออวันนี้พ่อแม่ของเราอยู่ที่ไหนถามน้องพวกน้องๆพ่อแม่อยู่ไหนพ่อแม่ไปทำสวนยางไปทำไร่ทำนาพวกเราก็เออช่วงนี้พ่อแม่กาลังมีกิจธุระเราควรจะช่วยพ่อแม่ยังไง พอเสร็จแล้วเราก็เอาห่อสมุดตีนสอของเราไปไว้เป็นที่เป็นทางจากนั้นเราก็มาปัดกวาดทาความสะอาดบ้านนึ่งข้าวจากนั้นก็ล้างถ้วยล้างชามสิ่งไหนเตรียมให้พ่อให้แม่เอาไว้เผื่อพ่อแม่มาท่านจะได้ทําอาหารเลี้ยงพวกน้องๆเมื่อทําเสร็จแล้วเราจะไปออกกําลังกายไปวิ่งไปเตะฟุตบอลอะไรก็ก็ได้ในช่วงระยะหนึ่งก็ต้องคิดไว้อยู่เสมอว่า เราจะให้ค่ำจนเกินไปจากนั้นเราก็กลับมาบ้านก็มาช่วยพ่อแม่ทำอาหารมาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาอยู่ในบ้านจากนั้นก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็เข้าไปทำการบ้านหรือเรากลับไปถึงบ้านเราจะไปทำการบ้านก่อนก็ได้เพื่อไม่ให้มันพลาดไปทำการบ้านที่คุณครูให้ไปทำซะก่อนอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งว่าตอนเย็นซะก่อนจะทาตอนค่ำซะก่อนจะทำถ้ามีอุปสรรค เริ่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราอาจจะไม่ได้ทำก็ได้เพราะนั้นเราเรียบทำให้จบจบอย่าไปทิ้งเวลาอย่าให้มันเสียเวลาสรุปแรกก็คือให้ช่วยพ่อช่วยแม่นะถ้าเป็นหลวงพ่อถ้าคิดได้อย่างเดี๋ยวนี้นะหลวงพ่อจะทำอย่างนั้นจากนั้นก็กินข้าวกินน้าเสร็จแล้วก็อ่านหนังสือหาวิชาความรู้ที่มันยากอย่างภาษาอังกฤษอย่างนี้เราต้องใช้เวลาในการท่องจาเราก็ต้องท่องนะ อย่างพระที่ท่านอยู่วัดหนึ่งท่านก็ท่องนะสวดมนต์นะอย่างที่จะสวดปฏิโมกได้เป็นชั่วโมงเป็นเล่มท่านก็ต้องท่องอันนี้ภาษาอังกฤษของเราก็เหมือนกันก่อนที่จะได้ภาษาอังกฤษที่มาเราก็ต้องท่องไม่ใช่ว่าอ่านอ่านอา่านไกลๆทิ้งๆไปแล้วก็จบไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าภาษาอังกฤษไม่ได้นะภาษาอังกฤษนต้องท่องท่องให้ขึ้นใจเพราะฉะนั้นเมื่อท่องเสร็จแล้วเออเราจะนอนแล้วสิ แล้วก็กราบพระไหว้พระสังกัลอรหังสมาสัมบุโทโธนโมตัสสะพุทธังธรรมังสังขังจากนั้นถ้าเราเป็นไปได้ก็นั่งสมาธิสักหน่อยก็ดีนะลูกหลานนะอถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อ น, นั่งสมาธิสักห้านาทีสิบนาทีนึกพุทโธพุทโธพุทโธในใจนะกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธยังค่อยนอนนอนก็หลับสบายใี่ไหมนอนหลับสบาย อันนี้ชีวิตประจำวันถ้าเป็นไปได้หลวงพ่ออยากจะให้ลูกหลานทําอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่นะนะถ้าเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อจะทำอย่างหลวงพ่อพูดนี่แนะคือชีวิตประจาวันเราควรทาอย่างไรที่เป็นเด็กนักเรียนควรจะช่วยพ่อช่วยแม่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไปทําไร่ทํานาหน้าดำค้าเคียดพอมาถึงแล้วก็ยังมาก่อไฟยังมาหนึ่งข้าวให้ลูกกินอีกลูกก็เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่แล้ว ไม่ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่พ่อแม่มีแต่ห่วงลูก่ก่อนที่จะไปก็ได้จัดเอาของอาหารลูกก็นอนตื่นไซส์ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีอาหารกินก็โมโหโทโศไม่มีอาหารกินจังงุนอย่างงี้บนให้พ่อให้แม่อีกหลวงพ่อว่าไม่ถูกนะท่านลูกหลานทําอย่างนั้นไม่ถูกเพราะท่านเลี้ยงเรามาใหญ่แล้วเราควรจะทดแทนบุญคุณของท่านควรจะช่วยครอบครัวของท่านด้วยนะมาที่โรงเรียนก็นจะให้ครูโรงเรียนหนักใจ เพรครูโรงเรียนเนี่ยท่านก็มีหน้าที่ของท่านคือท่านได้รับการว่าจ้างมาจากทางรัฐบาลมาเพื่อจะสั่งสอนลูกหลานมีหน้าที่สอนลูกหลานไม่ใช่ว่าให้มาเอ่อเป็นตำรวจเคี่ยนตีลูกหลานไม่ใช่อย่างนั้นมาให้วิชาความรู้ตรงไหนที่ลูกหลานยังไม่รู้ท่านก็ให้วิชามีหลายแขนงมีหลายวิชาอย่างที่ลูกหลานได้เรียนทุกวันทุกวันนั่นแหละ วันนั้นคือหน้าที่ของครูบาอาจารย์หน้าที่ของสิทธิก็คืออย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานตั้งอกตั้งใจให้เป็นคนดีนะอย่าให้ครูบาอาจารย์หนักใจไปอยู่กับพ่อแม่ก็ อ, อย่าให้พ่อแม่หนักใจให้พ่อแม่เบาใจกับพวกเราอายุ13บสามสิขึ้นมาแล้วรู้เรียงสาภาวะพอที่จะช่วยพ่อแม่ตายแล้วนะ แล้วก็มาโรงเรียนก็จะให้ครูบาอาจารย์นักใจนะให้รู้จักสูงรู้จักต่ำให้รู้จักการะเทสะให้อ่อนน้อมถ่อมตนไว้ณนะดีนะลูกหลานนะอันนี้หลวงพ่อมาว่ากับเอาสั่งสอนเมื่อเราจบโรงเรียนไปแล้วจบจากสถานที่แห่งนี้ไปแล้วจบจากโรงเรียนยุงทองพิทยาคมไปแล้วเราไปเข้ามาหาวิทยาลัยไหนถ้าเราเป็นคนดีนะ เ, เราก็เรียนดีไปเรื่อยจนจบ พอจบออกจากโรงเรียนพื้นฐานของเราดีออกจากโรงเรียนไปแล้วไปสมัครงานที่ไหนเขาก็เห็นอากับกิริยาของเราว่าเออเด็กคนนี้หนุ่มคนนี้สาวคนนี้เออนีกิริยามารยาทอ่อนน้อมผอมตนคงเป็นคนดีถ้ารับขอมานทางานในสํานักงานหรือบริษัททางร้านหรือทํางานรัฐบาลคงจะไม่เป็นที่หนักอกหนักใจของผู้ปกครองหรือเจ้าของของบริษัท หรือเจ้านายที่เป็นผู้บังคับบัญชาคงจะไม่หนักใจเพราะเด็กคนนี้มีนิสัยดีอย่างนี้ใครๆก็ต้องการทั้งนั้นไปที่ไหนคนก็ต้องการแต่ถ้าหาว่าพวกเราทำตนไม่ดีไปที่ไหนก็เกะกะละลานไปหมดออราวาสไปหมดใครๆก็กลัวไม่อยากจะได้ขยักขยแยงไม่ใช่กลัวนะเขาขยักขยแยงเมื่อขยักขยแยงแล้วเราจะไปทาการทางานที่ดีได้อย่างไรหาการหางานที่ดีๆก็ไม่ได้เพราะเราทำตนไม่ดีทาให้เขา รัวทำให้เขาขยันทาให้เขาขยักขยแงงเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานคิดดูให้ดีกันแล้วกันนะในหลักของวิทยาศาสตร์เขาว่า IQ คินะไอนั้นแปลว่าเป็นผู้มีความรู้ความฉลาด EQ เป็นผู้รับผิดชอบ AQ แปลว่าเป็นผู้มีความอดทนเป็นพื้นฐาน MQ เป็นผู้มีนิสัยดีมาจากตั้งเดิมมาจากครอบครัวแล้วเอ็ม แล้วไอคิวเป็นผู้เฉลียวฉลาดเรียนหนังสือจำได้ง่ายพูดอะไรจำได้คิดใดตรองอะไรได้ง่ายภาษาอังกฤษได้ง่ายคณิตศาสตร์ได้ง่ายสรุปแล้วก็คือเป็นเด็กเกรดเอในโรงเรียนหรือหัวหน้าชั้นอันนี้แปลว่าเด็กที่มีความรู้แต่ถ้าเด็กมีความรู้อย่างนี้มีไอคิสูงอย่างเดียวประสบความสำเร็จเพียงยสบเปอร์เซนเขาบอกอย่างนั้นเพราะว่า ย, ยังขาด EQ และ a q MQ ที่หลวงพ่อพูดเนี่ย OQ ก็มี UQ ก็มีที่เขาไล่เรียงระดับทีเดียวนี้เขาหาได้เพียง8 Q นะแต่หลวงพ่อจะนำมาพูดเพียง 3-4 Q นะคือ IQ ก็คือความรู้ความฉลาด EQ คือความรับผิดชอบ a q แปลว่าผู้มีขันติคือความอดทนอดกลั้นอดทนต่อหมู่ต่อเพื่อนต่อครูบาอาจารย์ ต่อการศึกษาคนที่มี AQ สูงเนี่ยจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นพวก MQ เนี่ยเป็นพื้นฐานมาจากตระกูลมาจากครอบครัวเมื่อเป็นเด็กพ่อแม่ก็เลี้ยงดูด้วยความทะนุถนอมพอใหญ่ขึ้นมาเข้าโรงเรียนโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนที่ดีหม่พวกเพื่อนที่ดีได้รับการศึกษาที่ดีอบอุ่นจากนั้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา ออกไปทําการทํางานคนนั้นจะมีนิสัยโอบอ้อมอารีต่อหมูต่อเพื่อนต่อพักต่อพวกจะไม่เห็นแก่ตัวเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วพวกเราควรจะส้ำเหนียกสํานึกเอาไว้ว่านี่แหละเราเกิดมาแล้วการศึกษาของเราเป็นยังไงแต่ถึงไอคของเราไม่สูง EQ ความรับผิดชอบพวกเราก็ควรจะมีและก็ AQ ความอดทนอดกลั้น การศึกษาของลูกหลานก็ควรจะพยายามให้มีและก็เอคนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่อันนี้ก็ควรจะมีเพราะฉนั้นลูกหลานทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดนี้ก็ให้ลูกหลานทั้งหลายสังเกตตัวเองว่าเราเป็นยังไงในคิวทั้ง4อย่างเนี่ยเราขาดตกบกพร่องที่ตรงไหนแต่ว่า IQ ของเราต่ําเราก็พยายามเล่งขึ้นพยายามดูหนังสือพยายามท่องหนังสือ และความรับผิดชอบของเราเป็นยังไงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเรามาเรียนหนังสือเป็นยังไงกลับไปถึงบ้านเป็นยังไงเรารับผิดชอบไหมถ้าหาว่าเราขาดความรับผิดชอบก็แสดงว่าอีิวของเรายัางต่ําอนนี้มาถึงโรงเรียนการทิ่หมู่ว่ากาเยาะเย้ยและอะไรก็ตามเรามีความอดทนสูงไหมในหน้าที่การงานในการศึกษาของเราเราเป็นยังไงเรามีความอดทนสูงไหมอันนี้ไม่มีใครที่จะรู้กว่า ตัวของลูกหลานเองนะลูกหลานเธอเองนะเป็นผู้รู้ตัวเองยิ่งกว่าใครๆ เ, เรามีความอดทนไหมและ MQ เป็นยังไงนิสัยของเราเนี่ดุร้ายไหมโมโหโทโสไหมโกรธพยาบาทอาฆาตหมู่พวกเพื่อนไหมโกรธพยาบาทอาฆาตครูโรงเรียนไหมอย่างนี้ถ้อเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นบุญคุณทุกคนที่ให้บุญคุณกับเราถ้าว่าเรา ไม่ได้ครูบาอาจารย์ไม่ได้หมูได้เพื่อนที่ดีเราจะเป็นคนดีได้ไหมอันนี้เราก็ต้องตรวจตราดูลูกหลานเองนะเด็กในครั้งพระพุทธเจ้าพ่อแม่ก็หนักใจเหมือนกันนะลูกหลานอย่างลูกอนาถาวิตีิกาเศรษฐีนะอนาถาวิตีิกาเศรษฐีเป็นเศรษฐีใหญ่ในกรุงสาวัตถีท่านก็มีลูกหลายคนแต่ลูกคนหนึ่งรู้สึกเกเรเหมือนกันนะ ตั้งที่เป็นพุทธอุปถากเป็นผู้ดูแลพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ไม่รู้จะสอนอยังไงสอนลูกชายคนเนี้ยกําลังเป็นเด็กหนุ่มเหมือนกันแต่เด็กหนุ่มโดยมากจะไม่ค่อยดูตนเองทําให้พ่อแม่หนักใจอยู่เรื่อยๆไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้เพราะฉะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายอย่าให้พ่อแม่หนักใจอย่าให้ครูบาอาจารย์หนักใจเมื่อได้ยินตําราและได้ยินหลวงพ่อพูดแล้วเออคนยุคนั้นเขาก็ทําให้พ่อแม่หนักใจพ่อแม่เขาก็หนักใจ พอมายุคนี้เราจะให้พ่อแม่หนักใจเธอน ะ, อะเราก็ควรจะปรับปรุงใจของลูกหลานอย่าให้หนักใจแต่นี้ลูกชายคนนั้นไม่ฟังชอบเที่ยวชอบเล่นแต่ไม่ชอบพูดจะไปที่ไหนก็ไปอนนาณาถามไม่รู้จะสอนอยังไงผู้พ่อก็เข้าวัดเข้าวารักษาศีลเป็นที่รู้จักคนทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ลูกชายไม่เอาฐานเหมือนกันเถอะขายหน้าเหมือนกันเถอะเออไม่รู้จะสอนอยังไงวันหนึ่งก็เลยบอกลูก ให้ลูกไปรักษาศีล น, นะในวัดป่าเชตวันกับพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เอา้าพ่อจะให้รางวัลให้รางวัลห0าบาทสมมุติว่าให้รางวัลไม่ใช่น้อยว่างั้นเถอะทุกวันนี้ก็เอ้า500บาทลูกชายเออใช่ห้าร้อยบาทนี่คงจะเที่ยวได้หลายวันคงจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่ากันเถอะเอ้าไปรักษาศีลในวัดนะให้500บาทนะลูกนะทีนี้เขาก็ได้เงิน500บาท จากนั้นก็ไป8ค่ำ15้าค่ำเนี่นะเขาไปถึงวัดเขาก็ไปนอนแหละได้เงินแล้วเดี๋ไปนอนอยู่ที่วัดพรวรกษาศีลก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่มุสาไม่ดื่มสซลาไม่ทานข้าวเย็นไม่ทัดจงดอกไม้ของหอมไม่ฟังร้องรำทำเพลงไม่นอนที่นอนอันใหญ่ที่ยัดนุ่นและสำลีเพียงรักษาศีล8ปว่างั้นได้500บาทแล้วกลับมา วันต่อไปโออยากจะให้มันถึงอีกเร็วๆงันเพื่อจะได้เงินห้าร้อยบาทห้าร้อยกะหาปะนะนไม่ใช่น้อยในสมัยนะัน้นเงินมีคุณค่าว่างั้นแต่ท่านี้พอต่อมาต่อมารักษาสินทุกวันทุกวันพ่อก็เลยถามมาลูกเมื่อไปรักษาศินและลูกทำยังไงพอไปถึงอ๋ยผมไปกับไปกราบพระพุทธเจ้าไปรับสินเสร็จแล้วพรงกับไปนอนทันแล้วไปหาหลบนอนพอตอนเช้ามาพรงกับมางิน พ่อก็รู้ว่าเออไปแล้วมันไม่ได้ไปศึกษาอะไรไม่ได้ไปฟังเทศพระพุทธเจา้าแต่ได้ก็เลยบอกอีกนะลูกเอาให้ไปฟังเทศพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าพูดอะไรให้จําคําหนึ่งนะให้จําคําหนึ่งของพระพุทธเจ้าแล้วมาพูดให้พ่อฟังพ่อจะให้พันกับหาปณ ะ, ะบาทเออคือให้พันบาทไม่ ง, งั้นเออภาษาคําเดียวคงจะฟังได้ไมีเป็นไร คงจะได้เงินพันบาทแล้วคงจะไปเที่ยวได้อีกเยอะแยะเหมืนกันในความคิดของเด็กหนุ่มมิได้คิดเที่ยวคิดสนุกสนานอย่างลูกหลานทุกวันนี้เหมือนกันเท่ๆพอไปกัว่าจะได้เงินพันแล้วทีนี้พอไปไปนี้กับไปตั้งใจฟังแหละพอไปถึงพระพุทธเจ้าเทศเทศให้ฟังอธิบายเรื่องทานบ้างเรื่องศีลบ้างเรื่องภาวนาเรื่องการทําคุณงามความดีบ้างคนเราเกิดมายังไงตายไปอย่างไงเอออันไหนเกิดอันไหนตาย เพราะนั้นอย่าไปทำความชั่วทำแต่ความดีคนดีถ้าทำดีแล้วไปที่ไหนคนก็ยอมรับทั้งหมดถ้าเป็นคนชั่วไปที่ไหนคนก็เกียดก็ชังเพราะความชั่วใครๆก็ไม่ต้องการเหมือนกับของเหม็นทำดีเหมือนกับของหอมไปที่ไหนใครๆก็อยากจะได้ของหอมแต่ ถ, ถ้าว่าของเหม็นใครๆก็ไม่ต้องการพราะพุทธเจากก้าประเทศเทศเทศให้ฟังไอ้หนุ่มคนนด้กับพญายามจะเท้าละข่าวนี่เออได้ใจความละ คนชั่วนี่ก็คือคนเหม็นคนดีก็คือคนหอมได้ใจความกลับไปกลับไปก็จะไปนอนเหมืนกันพอก็มาโอ้ลื่อมเมืเอ่อ ก, กี้นี่เราจะจำอะไรบะาไม่ได้จำไม่ไดกลับไปฟังอกีกไปฟังพระพุทธเจ้าพูดอกีกฟังเคลดมาได้เลยเออคนทําดีก็ต้องได้ดีคนทําชั่วก็ต้องได้ชั่วถ้าว่าคนทําชั่วจะได้ดีนั้นยากคนทาดีต้องได้ดีไปที่ไหนก็คนยอมรับ เอาละข่าวนี้ได้ล้กลับมากลับมาอีกลืมอีกกลับไปอีกฟังอีกบัตรตัวจริงข้อความเหมือนกันเถอะเพื่อจะได้เงินพันของพ่อพูธให้าก็เทศให้อีกคนเกิดมาแล้วชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะเกิดมาแล้ว 70- 80สตายก็ไม่ถึงว่า 70-80 สตายบางคนเกิดมาแล้วยังไม่ถึงเท่าไหร่ก็ตายแหละพอแล้วตายแล้ ว, นะ ต, ลวต้องเกิดอีกตายแล้วไม่ศูนย์ ตายแล้วต้องเกิดอีกวิญญาณคือใจนั่นแหละจะพาไปเกิดเพราะนั้นพวกเราอย่าประมาทนะสังสมบุญกุศลไว้นะเออจำรละ้ะบันกลับไปเอกเออกลับไปเอกลืมอเอก อ, อะไรอีกกลับไปฟังอีกผทีนสุดจนฟังตั้งอกตั้งใจฟังจริงๆทีนีเออ้เพื่อจะได้จำให้มันได้พอการตั้งใจฟังจริงเท่านั้นแหละเด็กหนุ่มคนนั้นได้สาเร็จพระโสดาบันนะ ได้สำเร็จพระโสดาบันโอ้ตายตาตายตา ย, ตา ย, ตายที่พ่อให้เรามาฟังเทศน์นี่ไม่ใช่อื่นไกลเนอะพ่อก็ไม่ได้อะไรมีแต่อยากจะให้เราเป็นคนดีอยากจะให้เราเป็นลูกที่ดีอยากจะให้พวกเราเมื่อใหญ่โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วจะได้ดูแลทรัพย์มรดกของตระกูลไม่ใช่พ่อแม่บม่ได้หวังอะไรทั้งหมดโอ้พระพุทธเจา้าพูดถูกเป็นพระคุณอย่างสูง เราเข้าใจแล้วบาทนี่เข้าใจแล้วเราไม่ต้องการเงินอีกแล้วได้ทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่กินไม่หมดแล้วนี่ถ้าทําตัวให้เป็นคนดีกินไม่หมดจากนั้นเด็กหนุ่มคนนั้นก็เลยเดินตามหลังพระพุทธเจ้ามาที่บ้านอนาถาพิธิพระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านอนาถาพิธิเป็นประจําต่เนี้ยท่านก็มาเดินมาเด็กหนุ่มคนนั้นก็เดินตามหลังมาพอตามหลังมากลับพระพุทธเจา้าคนนั่งผิดปกติอย่างนั้น ตามปกติพอมาถึงบ้านเนี่ต้องเรียกกับเงินพ่อเลยเนพ่อพ่อพ่อะเอาเงินมามาเอาเงินมาให้ผมพ่อก็ต้องรีบเอาเงินให้ห้าร้อยบาทเหมือนกันแต่คราเนี้พ่อใส่ถุงไว้เหมนเนีเป็นเงินแท้ๆเลยใส่ถุงไว้เป็นพันเหมือนกัเถอะเตรียมรอไว้แล้วเผื่อลูกมาก็จะให้เขาแต่เด็กก็พอมานั่งพ่อก็เลยถามโลูกลกนะเตรียมไว้แล้วนะอย่างๆครับพ่ออย่างๆอย่างยังไม่เอา พ่อเออเอาเตี่ยวมาเดินนาะนั้ไปเอาก็ได้นี่ลูกนั่งอยู่ทำไมไม่ไม่ไ ม, ไม่พ่อครับผมยังไม่เอาพอนั้นเ่อพูดถึงเจา้าท่านรู้เลว่าลูกของท่านนั่นนหะสําเร็จพระโสดาบันแล้วเป็นอริยะบุคคลแล้วได้อริยะทรัพย์แล้วทรัพย์ของท่านน่ะไม่มีความหมายหล้วเขาได้ทรัพย์ภายในแล้วเขารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเพราะฉนั้นทรัพย์ภายนอกเขาไม่ต้องการแล้วอนณาถาเม่ดีกาเษติเลยสาธุ ลูกเป็นคนดีนะไม่มีอะไรที่จะภาคภูมิใจยิ่งกว่าลูกของตนเป็นคนดีะพ่อแม่ได้เท่านั้นนะ่ะดีอกดีใจยิ่งกว่าได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายให้เข้าใจหัวอกของพ่อแม่นะพ่อแม่อยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีครูบาอาจารย์ก็อยากจะให้ลูกศิษย์เป็นคนดีอย่างหลวงพ่อมาวันนี้ก็เหมือนกันมาอย่างนี้ก็จกจะให้ลูกหลาน ที่มาฟังในวันนี้เป็นคนดีให้มีคุณภาพให้มีคุณธรรมให้มีศีลธรรมมีจริยธรรมในจิตในใจต่อไปก็เป็นทรัพยากรของชาตินะวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสัมมอนิยคตาให้ลูกหลานได้ฟังแล้วก็ขอย้ำสุดท้ายก็ว่าก่อนหลับก่อนนอนให้ลูกหลานไหว้พระเสกกร อ, อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะอรหังสัมมาสัมพุโทโธสวาขาตุสุปฏิปันโน กล่าวนโม3จบจากนั้นก็คิดว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นก็จงเป็นสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้ก็คือแผลเมตตาสะก่อนลูกหลานนี้ค่อยหลับนอนนะถ้ามีโอกาสคือมากันนั่งภาวนาสักหน่อยก็ดีนะหาหนาทีสิบนาทีพุโทโธพุโทโธเป็นฝึกเอาไว้ฝึกใจเอาไว้คนที่มีสมาธิดีนะั้นการเรียนก็ดีนะลูกหลานนะการศึกษาก็ดีเพราะสติอยู่กับตนเอง แต่ว่าจิตใจของเราปรงฟุ้งซ่านแล้วจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรียนหนังสือก็ไม่รู้เรื่องนะลูกหลานนะพราะนั้นให้ลูกหลานฝึกขัดสมาธิไว้ก็ดีเมื่อสมาธิดีแล้วลูกหลานก็จะเรียนหนังสือก็จะเก่งก็จะดีนะและจะเป็นสีรษะของประเทศชาติจากนั้นก็เป็นสงรษราศีของครอบครัววงสกุลของพวกเราเ อ, อ, อำเภอนายูงของเราก็มีเด็กดี นำมาพัฒนาประเทศชาตินำมาพัฒนาท้องถิ่นคนในท้องถิ่นเป็นคนดีทั้งหมดก็ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันการพูดการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรขอยุติเพียงเท่านี้